ต่อไปว่าสิกขาบท5ที่นับเนื่องด้วยเป็นนิจฉศีลศีลที่รักษาเป็นประจําของอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายศีลปกติว่างั้นเถอะนะจะต้องมีเป็นประจําคําว่าอุบาสกนี่แปลว่าคนที่นั่งใกล้พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะอุบาสิกาก็เหมือนกันคนที่นั่งใกล้พระรัตนตรยัยหรือว่าเมื่อมีความอุตสาหะสิกขาบท10บสิกขาบท8 เนื่องด้วยเป็นองค์อุโบสถนี้ชื่อว่าขหัสศีลวันนี้นี่นะแยกเห็นชาติเลยนะขะหัตศีนี่มีหลายระดับ8ปห้าก็มี8ก็มีสิบนี่ยังไม่เห็นนะสินี่อาจารย์บุสวง์ไงเอออาจารย์บุตรวงศ์นี่รักษา10ข้อเลยนะรักษาศีนเท่าสัมมณีแต่แกไม่บวชบวชเน้นก็ไม่เอาแต่ว่ารักษาศีนสิเท่าเนนหรือถ้าสมัยพุทธกาลในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนะ ศีลของคติการะคติการะช่างหม้อนี่มรักษาศีลสิอ่าก็คือศีลถ้าศีล8เนี่ยนะเอา2งข้อมารวมเป็นข้อหนึงคือศีลข้อดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกกับการประดับทัดทรงการประดับตกแต่งเนี่ยนะข้อนี้มารวมเป็นข้อเดียวกันเลยเหลือ8นะนะทีจริงก็ถ้าให้เป็น10ก็คือแตก2ข้อนั้นอยู่คนละข้อก็บวกกับไม่รับเงินรับทองก็เป็นสิ แต่คติการะช่างหม้อนี่เขาปกติเขามีสินสิทธิ์เขารักษาสิบข้อแต่เป็นพผ้านาคามีแล้วนะคติการะช่างหม้อนี่เป็นพผ้านาคามีปกติไม่รับเงินทองไม่ซื้อขายแต่เขาปั้นหม้อนะดินเขาก็ไม่ขุดเองเขาก็ไปเอาพวกไอ้ขี่คุ้ยหนูนะมาก็มาปั้นหม้อเสร็จแล้วก็วางไว้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาก็ต้องเอาของที่สมควรกัราคาแล้วหยิบหม้อไปซื้อขายเองเลย ร้านหม้อกแกเนี่ยแกไม่ต้องนั่งขายนะนี่ไม่ต้องเก็บเงินเพราะฉะนั้นคนเจ้าจะเอาข้าวสารเป็นต้นมาวางไว้นะอ่ามาแลกเป็นของไม่ได้แกก็ไม่ได้แลกเขาก็เอามาวางไว้เขาก็เอาไปเป็นที่รู้กันแต่คนดีอ่ะคงมีใครโกงกนงหรอกแต่ดีจริงๆอ่ะใครไปโกงคติการะช่างหม้อนี่ก็อุ้ยเสียหายมากเลยนะโอ้บาปในผู้ใดเกิดหรือเปล่าไม่รู้ถ้านาคามียโกรธไม่เป็นถ้านาคามีไม่โกรธ นะแล้วม้อจะเอาไปไว้ที่บ้านเอาไปทำอะไรนะัก <c oughs> มันรู้จะกโกงแกไปทำอะไรแกก็คนดีจริงๆอ่ะนะก็บอกว่าพระราชาขนขนพวกสมบียงไปให้เป็นเกวียนๆอ่ะนะเป็นร้อยหลา ย, ลายร้อยเกวียนแกนยังไม่เอาเลยนะแกแกสันโดษมากแกเป็นคนที่สันโดษจริงๆพระพุทธเจ้าไปเรือให้พระภิกษุไปเรือลังคาบ้านแกครั้งหนึ่งเนี่ยนะแกปีติสิบห้าวันพ่อแม่เนี่ยปีติอยู่เจ็วันเหมนนเถ อ, อะนะ พระพุทธเจ้าไปเปิดหมอ้อข้าวฉันที่บ้านของคติการะช่างหม้อเองเลยนะแตแ่ปีติอยู่สิบห้าวันนะพ่อแม่เนปีติอยู่เจ็ดวันอ่ะพระพุทธเจ้านี่คุ้นเคยกับคติการะช่างหม้อมากนะในบรรดาอุปถาคทั้งหลายเนะนี่ยฉันที่เราไปเปิดหม้อฉันเลยงั้นน w w, mm ่ย hmm. มีมีอยู่ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเนี่ยพระองค์เนี่ยไปเปิดหม้อของคติการะช่างหม้อฉันเลยเขาวางวางไว้เอาไปฉันเลย เป็นแล้วเป็นพระอนาคามีแล้วคติการะช่างหม้อไม่ใช่ปุกุฎสาตินะไม่ใช่คติการะช่างหม้อเนี่ยนะคือเรื่องนี้อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระคันตะกุฏีของพระพุทธเจ้ารั่วห้ไปเรื่อยเอายาที่บ้านคติการะช่างหม้อมาเลย อ๋อ น, นะก็มาเรือคงเคงคงเคงพ่อแม่ทั้งของกติการะช่างมอทั้งคู่นี่ตาบอดถามเอ๊ใครมาเรือบอกว่าพวกอาตา ม, มาทั้งหลายน้องหญิงเขาว่างั้นกุฏิพระพุทธเจ้ารั่วพระองค์ให้มาเอาไปก็เรือไปเลยนะพ่อแม่ปีติหยุดเวันลูกกลับมาจากทํางานอ้าวใครมาเรือหลังคาไปบอกภาพภิกษุมาเรือเอาไปว่างอนกันคติการะปีติหยุดสิวัน อินใจยอยู่สิบห้าวันก็บอกว่าที่ตรงนั้นไม่ต้องทำหลังคาอีกเลยเขาบากงั้นเขาบอกว่าฝนไม่ตกรถตลอดกลับพิเศษนะเพราะฉะนั้นบ้านนั้นไม่ต้องใช้หลังคาตลอดไปก็ได้แต่ว่าไม่เขามากันนะึกถ้าฝนไม่ตกรถแต่แดดจะแล้วแดดล่ะ <Okay. S 1> ก็สงสยัยภาษาเราไปเรื่อยนะคิดไปกับฟุ้งไปเปล่า <laughs> เพราะฉะนั้นจตุกะนี้ก็มีสี่อย่างนะ 1. นึ่งพิคุศีนพิกุณีศีนอนุปัสัมบันศีนและก็ขหัดศีนอาอนุปัสัมบันนั้นไปที่สั ม, มเนธและสั ม, มเนรีนะทีนี้จตุกะที่3กล่าวถึงว่าศีนเนี่ยจัดว่ามีสอย่างโดยเกี่ยวกับปกติศีลเป็นต้นอย่างนี้คือความไม่ก้าวล่วงศีลของมนุษย์ชาวอุตรากุรุทวีปทั้งหลายชื่อว่าปกติศีนคือ ชาวอุตรากุรุทวีปนั้นมีปกติมีศีลห้าหลังศีลห้าเขาเนี่สบายมากเขาไม่ต้องปิดประตูบ้านอะไรแบบนั้นเด้อข้าวของเครื่องใช้ไม่มีหายสักอย่างแต่ว่าที่ว่านี้อยู่ตรงไหนก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะถามรายละเอียดนมาตอบไม่ได้หรอกแต่ว่ามีในโลกนี้มีอยู่สีทวีปนะอันนี้อุตรากุรุทวีปก็มีทวีปหนึ่งท่า ม, มนุษย์ของพวกเรานี่ยก็เรียกว่าชาวชมพูทวีปพอเ ง, งั้น ชาวธมภูทวีปนี้ไม่แน่นอนนะที่ศีลดีก็ดีจริงๆเหมือนกันแต่ศีนี่ไม่ดีก็ทุศีนก็ทุจริงๆเหมือนกันเนี่ยนะปานาติบาตเขาไม่เรียกปานาติบาธรรมนาเรียกมหาปานาติบาตหมืนันโ้โหฆ่าก็ฆ่าจริงๆอ่ะตั้งโรงงานฆ่าเลยอ่ะนะอาทินนาทานก็วางแผนโกงโอตลอดไปมหาอทินนาทานเขาบว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะกาเมก็เออลูกเมียชาวบ้านนี่นี่ยหน่อยสมัยนี้ก็มหากาเมเลยมันฆ่าโสเป็นระดับโลกนะ อะไรที่มันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะคนยุคนี้เขาทำกันแต่ที่ศีลดีๆก็มีแต่ว่าไม่ค่อยมากาสมัยพุทธกาลนี่เยอะเพรา ะ, ะนนมนุษย์ชาวอุตรากุรุทวีปนั้นเป็นทวีปที่มีปกติมีศีนห้าศีนห้าเขาดีต่อไปนะข้อประพฤติอันเป็นมารยาทของตนของตนแห่งตระกูลประเทศและรัฐทิชื่อว่าอาจารศีล ก็คืออย่างเช่นตระกูลพราหมณ์นี่นะเป็นตระกูลเขามีบทบัญญัติว่าตระกูลนี้จะต้องไม่กินเหล้าอันนี้นะขณะที่เขาตั้งใจงดเว้นเนี่ยเป็นศีลไหมเป็นนะอันนั้นเป็นสัมปัตตาวิรัตเพราะฉะนั้นเป็นประเพณีเลยนี่ว่าประเพณีนี้ต้องไม่ฆ่าสัตว์ตระกูลนี้ต้องไม่ฆ่าสัตว์นะเป็นประเพณีของกลุ่มเป็นตระกูลเป็นอะไรไปเลยนะขณะที่เว้นนั้นๆก็เป็นศีลได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น อาจารศีนประเทศบางประเทศนี่ไม่ให้กินเหล้าเล ย, ยเป็นบทบัญญัติห้ามดื่มเหล้าเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นศีลหรือถ้าอย่างเป็นของตระกูลเนี่ยนะอะอย่างเช่นบรรพบุรุษเขาตั้งวงเอาไว้ว่าจะต้องทําอันนี้นะที่เป็นกุศลนะเพราะว่าอันนี้เป็นศีลที่เป็นกุศลมันศีลที่เป็นกุศลที่ตระกูลบัญญัติขึ้นมาก็ได้อะนะตระกูลเราจะต้องไม่ทําสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นบทบัญญัติของตระกูล ที่ที่เป็นกุศละนะ่นะมีนะตระกูลที่ที่มีศีลธรรมจริงๆก็จะห้ามบทบัญญัติตั้งไว้ในตระกูลของตัวไว้เลยว่าศีลของเราจะต้องไม่ทำแบบนี้แบบนี้นะเช่นตระกูลเราต้องไม่ดื่มเหล้าเห็นแต่ก็สมัยนี้พอนึกออกไหมตระกูลไหนมีมั้งไหนเนีนนะ่ยอ๋อพัน า, ถ, าถ้าตั้งไว้นะออพราม์นี่ไงตระกูลพราหมณ์นี่เขาบอกว่านี่ก็ เป็นศีลเหมือนกันเพราะฉะนั้นลทัทธิบางลทัทธิประเทศบางประเทศก็ห้ามไม่ให้ล่วงละเมิดอกุณสบางอย่างเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นศีลนะในขณะนั้นแต่เป็นสัมป ต, ตวิรัติส่วนศีลของมารดาพระโพธิสัตว์ที่ตรัสไว้ในอัจฉริยภูตธรรมสูตรเนี่ยนะว่าดูกระ อ, อ น, นุนข้อนี้เป็นธรรมดา ในการที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้อย่างลงสู่พระคัน์ของพระมารดาจิตที่ประกอบด้วยกรมคุณในบุรุษทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระมารดาของพระโพธิสัตว์ดังนี้ชื่อว่าธรรมตาศีลคือถ้าธรรมดามารดาของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพอปฏิสนพระโพธิสัตว์ปฏิสนที่ในคันนั้นเนี่ยนะหลังจากนั้นจิตที่คิดเป็นอกุศลกับชายไม่มีเลยอันนี้เป็นธรรมดาศีลของ แม่ของพระโพธิสัตงงว์เมนกนเถอะอันนี้ถ้ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะดูในอัจฉรยิยภูตรธรรมสูตรนะมัชฌิมนิกายอุปริปันธาส่วนศีลในชาติทั้งหลายนั้นๆของเหล่าสัตว์ผู้หมดจดมีพระมหากรสปะเป็นต้นและของพระโพธิสัตว์ชื่อว่าปุพเหตุกะศีลคือเป็นศีลที่ได้เคยประพฤติมาแต่อดีตชาติ ไว้เป็นอย่างดีหรือว่ามาจากพรหมโลกก็ไม่ให้ไม่ทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าลักษณะอย่างนี้แหละเรียกว่าปุพพะเหตุกัสสีนีน่นะอย่างพระมหากระสปะเนี่ยนะท่านเกิดมาท่านไม่เคยทําบาปอย่างใดเลยนะีตั้งแต่เล็กๆมาเลยไม่เคยไปพูดชั่วทําชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์วจีทุจริตไม่มีกายทุจริตของท่านไม่มีอยู่กับนางพัฒกาปิลานีเนี่ยนะ นอนเตียงเดียวแต่ว่าเอาดอกไม้มาขั้นกลางนะจะไม่ล่วงอธิปไตยซึ่งกันและกันเหมือนั้นถ้าฝ่ายไหนคิดไม่ดีดอกไม้จะเหี่ยวแต่นี้ดอกไม้สดอยู่ตลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นนีน่อย่างนี้เรียกว่าปุบผ้าหตุกขศีลอาศัยว่าทั้งคู่มาจากพร ม, มาโลกเหมือนกันนะนะผลจิตที่ที่คิดอย่างอื่นไม่มีนะนะ้ะนศีลที่อบรมมาแต่ชาติก่อ น, อนๆมาเป็นอย่างดีแล้วอย่างพระโพธิสัตว์เราเนี่ยในชาติสุดท้ายที่คิดไม่ดีที่ไปทำกายยัตุจริตทั่วทวไปนี่ไม่มีนะ ปจีทุจริตก็ไม่มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศีลเหล่านี้เนี่ยเป็นปบผ้าเหตุตุกศีลซึ่งอาศัยเหตุมาแต่อดีตแต่ขอให้รู้เถอว่าในศีลทั้งสี่อย่างนี้นะปกติศีลอาจาราศีลธรรมตาศีลและปบผ้าเหตุตุกศีล น, นี้เป็นส ม, สมป ต, ตวิรัตเป็นสัมปตะวิรัตไม่ได้สมาถานแต่เป็นไปเองศีลที่เป็นไปเองเลยนะ อย่างเช่นคนขับรถบางคนเนี่ยนะก็ไม่ได้รู้เรื่องซีนเรื่องอะไรนะแต่เห็นสัตว์ในในถนนเนี่ยนะจะขับรถหลีกเลี่ยงเองโดยโดยอัธยาศัยลักษณะนี้ก็เป็นประเภทของสัมปัตตวิรัตนะอย่างปกติบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะไม่ดื่มเหล้าเลยไม่ได้สมาทานบอกว่าจะไม่ดื่มเหล้าแต่เห็นเหล้าแล้วดื่มไม่ได้นะไม่ชอบดื่มไม่ดื่มเด็ดขาดเลยลักษณะนี้ก็เป็นประเภทของ ของอะไรอาจาระศีลเป็นต้นเนี่ยนะหรือปกติศีลของของบางคนเนี่ยนะส่วนปาิโมขสังวรเป็นต้นเนี่ยนะรายละเอียดก็นับว่าลึกซึ้งแตคงไว้วันหลังๆต่อไปเนี่ยนะเริ่มจตุ ป, ปาริสุทีศีนนะผู้การก็โหรอเรื่องอินทร์สังวรมานานะอันคงจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่ว่าถ้าทิิทในพระไตรปิฎกนะ ถ้าเจอที่ไหนมีคำว่าทิฏฐิเฉยๆโดดๆขอให้รู้เธอว่านั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าหากว่าทิฏฐิที่ดีที่ถูกต้องจะมีอีกคำหนึ่งบวกเข้าไปด้วยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยแปลว่าถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะว่าคำว่าทิฏฐินี่แปลว่าความเห็นแต่ถ้าทิฏฐิโดดๆเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยน ะ, ะถ้าทิฏฐิสามัญก็มีอยู่ ยีสอย่างเขาเรียกว่าสกายทิฐ oh, ิเป็นทิฏฐิสามันทั่วไปส่วนทิฏฐิที่พิเศษเลยก็ทิฏฐิหกสองถ้าหากว่านิยตมิจฉาทิฐิเป็นทิฏฐิที่แก้ไขไม่ได้มีสมอย่างเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าใครที่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเที่ยงแท้ที่จะปฏิสนธิในอบายเนี่ยนะสามอย่างนั้นก็คือหนึ่งนะ อะเหตอเหตุกะทิฐิปฏิเสธเหตุว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดจากเหตุบางคนก็ปฏิเสธผลเนี่ยนัติกะทิฐิหรือบางคนก็ปฏิเสธการกระทําเรียกว่าอกิริยทิฐิมิชาทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยก็คือลัทธิที่ปฏิเสธกรรมและผลของกรรมถ้าทิฏฐิ62บางอย่างก็ไม่ได้ไม่เชื่อเรื่องกรรมเชื่อแต่ว่าเบื้องหลังของการทํากรรมเนี่ยมีอัตตาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะเชื่อเรื่องกรรมนะนะ กรรมสักตาพอมีระดับหนึ่งแต่ว่ า, าทิฐินั้นก็นับว่ามีกำลังแต่ว่าเกิดคนละขณะกันแต่ถ้าหากว่ามิชชาทิฐิสามอย่างนี้ไม่มีกรรมสักตาเกิดร่วมเลยไม่มีกรรมสักตามาสลับเลยแต่ถ้าหากว่าคนที่เป็นแค่สกายะทิฐิเนี่ยนะก็จะมีกรรมสักตาเกิดสลับได้บ้าง แต่ถ้าเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิแล้วโอ้โหแก้ไขไม่ได้ก็บอกว่าถ้าชาวนะเสพเจ็ดครั้งแล้วนะพระพุทธเจ้าพันองค์ก็แก้ไม่ได้นะไม่ต้องพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมิจฉาทิฏฐินี้ดิ่งจริงจริงเลยนะไอความเห็นเนี่ยนะอะไรจะสําคัญเท่ากับความเห็นไม่เชื่อนะไม่ต้องทิฏฐิทั่วไปเราแค่หลงทิฏฐิเนี่ยเถียงกันเถอะนะถ้าอีกคนหนึ่งคิดว่านี้ตะวันออกนะเถียงเลยนะของมาเนี่ยนั่งหันหน้าไปที่ตะวันออกทุกวันเล เออรู้สึกอย่างนี้ทุกวันนะของโยมนี่หันหน้าไปที่ตะวันตกแสดงว่าคิดตรงกันข้าวกันหมดเลยใช่ไหมฮ ะ, ะก็ถึงว่าสิของเอามาไม่ได้คิดอย่างโยมอ่ะอันนี้แสดงว่านี่แค่หลงทิศนะมิชชา่นที่ทีเนี่ยหนักกว่านี้แก้ไขายากมากอ น, นะเพราะฉะนั้นเวลามานั่งตรงนี้ปุ๊บทุกวันเลยนั่งหันหน้าไปที่ตะวันออกทุกวัน แต่ถ้าออกจากตรงนี้ไปที่ไหนก็ตามวันนั้นหลงทิศ ท, ทั้งวันอ่าถ้าถ้ายืนอยู่ในจุดที่หลงทิศนะเราไปที่ไหนทิศ น, น, นั้นจะเป็นแบบนั้นหมดเลยแต่ถ้าวันไหนออกจากบ้านผู้การนะสบายไม่หลงแต่ถ้ามาจากบ้านผู้การมาถึงที่นี่ก่อนแล้วออกจากที่นี่ใหม่นะเรียบร้อยเออเป็นอย่างนั้นจริงๆหลยในที่เดียวกันเนี่ยวันหนึ่งรู้สองทิศเลยยกตัวอย่างนะสี่แยกไอ้สี่แยกตลาดต้นพยอม เพราะฉะนั้นขามาเนี่ยนะจะมีอีกทิศหนึ่งขาไปจะอีกทิศหนึ่งเออในขนาดนี้เอาติเ อ, อ๊ะพวกทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้เองมันคล้ายๆนะเราให้ฟังว่าเออถ้าทิฏฐิเนี่ยนะถ้าเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะคิดอย่างนั้นแหละมันสําคัญในลักษณะแบบนั้นไปเลยเนี่ยนะเพราะถ้ามิจฉาทิฏฐินี่ก็แก้ยากเพราะมันเชื่ออย่างนั้นไปแล้วอะ่ะมันดิ่งแบบนั้นไปแล้วอ่ะเมียที่โมกปักใจดิ่งอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยนะคัน คนที่มีความเห็นผิดเนี่ยจึงแก้ไขา ย, ยากมากเนีนะถ้ามออีอาสยะหรืออัทยาศัยที่มาเป็นมิจฉาทิฐิจริงๆบางคนก็แก้ได้บางคนก็แก้ไม่ได้ถ้าลักษณะดิ่งมากๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แก้ไม่ได้ใครที่ซ่องเสบไอ้มิจฉาทิฐิเนี่ยนะเจ็ดขณะแล้วเนี่ยเจ็ดชวนะเนี่ยบอกว่าแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าพันองเลยเนี่ยม่ต้ององเดียวหรอกแก้ไม่ได้ ก็นับหนึ่งในมิจฉาทิฏฐิคือในตระกูลทิฏฐินี่ส่วนใหญ่ก็ดิ่งพอสมควรน่ะก็ในบรรดาสิ่งที่แก้ยากคือคือทิฏฐิเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าในบรรดาสิ่งที่มีโทษที่สุดเสมอด้วยทิฏฐิไม่มีมิจฉาทิฏฐินี่มีโทษที่สุดแล้วทิฏฐิเนี่ยนะไม่ห้ามการเจริญฌานใช่ไหมคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี่นะไม่ห้ามการเจริญฌานเลยเช่นเขาถือว่า ไปปฏิสนธิในพรหมโลกและบริสุทธิ์ด้วยทิฐิเนี่ยนะเขาสามารถเจริญฌานจนถึงไปปฏิสนธิในพรหมโลกได้เพราะทิฏฐิอันนั้นอันทิฏฐิเนี่ยนะบางอย่างในทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนะก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามสวรรค์อะไรนะแต่ไม่ใช่ทิฐิทําให้เกิดในสวรรค์นะเดี๋ยวไปเข้าใจว่าเออทิฏฐิไม่ห้ามสวรรค์ทิฏฐินั้นทําให้เกิดในสวรรค์ไม่ใช่ยนะแต่ว่าทิฏฐิทุกอย่างเนะี่ยแก้ยากหมด สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะก็แก้ยากถ้าคนมีความรู้เรื่องกรรมอย่างดีๆแล้วนะจะให้เขาไม่เห็นผลในเรื่องกรรมเนี่ยก็นั่กว่ายากเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยนะไอความเห็นเนี่ยดิ่งที่สุดเลยเนี่ยนะเป็นสิ่งที่แก้ยากมากถ้าเหตุผลไม่เพียงพอแก้ไม่ได้เนี่ยนะั้นคนที่สามารถรู้ปัจจัยจึงจะสามารถแก้ได้แต่ก็ไม่ได้แก้ได้ทั้งหมดถ้าแก้ได้หมดพระพุทธเจ้าก็แก้เป็นหมดลวแต่นี่แสดงว่าแก้ไม่หมดเลยนะ ถ้าของอรมาจริงๆนะถ้าเฉพาะเอาต่อตมามมัธยาสายของเราเองก็คือพระัตนะไตรนำหน้านั่นแหละนะวิธีอื่นที่จะแก้สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นไม่มีเพราะว่าการถึงไตสรสารณาคมเนี่ยนะเป็นที่ถูกชั่วกเพันธ์ถ้าเรามั่นคงในคําว่าสราระสามเนี่ยนะถ้ามั่นคงคําว่าพระพุทธเจ้ามีความหมายว่าอย่างไงแล้วสาธยายให้ได้เลยนะพระพุทธเจ้าดียังไง ทำไมเราต้องนับถือท่านะนะตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้สองพระธรรมคืออะไรทําไมเราต้องนับถือพระธรรมพระสงฆ์ดียังไงทําไมเราต้องนับถือพระสงฆ์อ่ะถ้าความเข้าใจอันนี้นี่นะแล้วยอมรับนับถือพระรัตนตรายมีพระรัตนตรายเป็นที่ไปในเบื้องหน้านั่นแหละจึงจะแก้ทิฏฐิทั่วไปได้แต่ถ้าไม่เอาตามนั้นเนี่ยนะก็นับว่ายากมากเว้นไว้แต่ว่าเพราะบางคนเนี่ยนะเชื่อเพราะเออคนพูดน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยนะ ก็คนพูดน่าเชื่อถือพอนั้นก็เป็นไปในอาการดิ่งไปเลยเหมือนกันเพราะว่าเหตุให้เกิดทิฏฐิมี2 อ, อย่าง 1. การฟังเสียงจากฝ่ายอื่นเขาพูดมาการฟังข้อมูลต่างๆจากภายนอกก็เป็นเหตุแห่งทิฏฐิอย่างหนึ่งนะแล้วก็ไอแนวความคิดของเราทั้งโยนิโสและอโยนิโสก็เป็นเหตุแห่งทิฐิทั้งภายในทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฐิก็มีเหตุ2 อ, อย่างนี่แหละถ้าสัมมาทิฐิก็ยโยนิโสกับ ปรตโตโคสะคือการฟังธรรมก็เป็นเหตุแห่งสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าฟังอธรรมเมื่อไหร่มิจชาติฐิแต่อย่าลืมนะว่าดํากับขาวมันก็อยู่ใกล้ๆ ก, กันนั่นแหละนั้นถ้าตามไม่ดีก็แยกไม่ออกอ น, นะในในนังธรรมะนะจะแยกไม่ออกเลยจะค่อนข้างยากมากเพราะฉะนนั้วิธีแยกก็คือการทรงจําคําสอนเป็นต้นนะ่ะเป็นกิจของสติถ้าทรงจําคําสอนก็เป็นเครื่องเครื่องวัดนะนีมีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเอาพระธรรมเป็นเครื่องตรวจสอบ แต่ทีนี้ถ้ายุคนี้แล้วก็แม้แต่พระธรรมคนก็สับสนแนละ้วอะไรคือพระธรรมและไม่ใช่พระธรรมแยกข้อมูลไม่ได้แล้วเมื่อแยกข้อมูลไม่ได้ก็จบกันแล้วโลกจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะปกติของโลกคืออะไรไม่มีพระพุทธศาสนาคือปกติของโลกนะวันนี้ใช้เวลาแต่เท่านี้